ปาราชิกสิกขาบทที่สามว่าด้วยการพรากกายมนุษย์เรื่องโมภิกษุผู้เจริญอสุภกรรมฐานกับตาเถนมิกขันทิกะ162สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นกกูตาคาระสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี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 ตาเถนมิฆลันธิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยข่าพวกอัตมาทีเถิดบาดและจีวร น, นี้จะเป็นของท่านตาเถนมิฆลันธิกะรับจ้างเอาบาดและจีวรจึงฆ่าภิกษุมากมายเธอดาบเปื้อนเลือดเดินไปถึงแม่น้ำวัคคุมุธา163เมื่อตาเถนมิฆลันธิกะกำลังล้างดาบเปื้อนเลือดอยู่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 ให้ใครพ้นทุก์ได้บ้างในภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยังมีราคะเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าส่วนพวกภิกษุผู้ที่ไม่มีราคะย่อมไม่หวาดกลัวไม่ขนพองสยองกล้าวเวลานั้นเขาฆ่าภิกษุวันละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสารูปบ้างสรูปบ้าง5รูปบ้าง6รูปบ้าง7รูปบ้าง แรูปบ้าง9รูปบ้างสิรูปบ้าง20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้างห้บรูปบ้าง60สรูปบ้างรับสั่งให้พเดียงสงหนึ่งเมื่อครึ่งเดือนผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ลีกร้นตรัสเรียกท่านพระอ น, นุมาตรัสถามว่าอานนุ์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 ตะเถ็นมิคลันทิกะรับจ้างออบาตและจีวอนจึงค่าภิกษุวันละหนึ่งรูปบ้างวันละหกสิบรูปบ้างขอประธานพระวโรกาสขอพระองค์โปรดตัดบอกวิธีอื่นที่ภิกษุสงฆ์จะพึงดำรงอยู่ในอารหัตตผลเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงพเพียงภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมด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 ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้ทรงแสดงอานาปานาสติสมาธิกถา165่ง้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่โรงอาหารประทับนั่งบนพุทธาฏที่จะถวายตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติสมาธิแม้นี้ที่เจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วเปรียบเหมือนฝุนลอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่นอกฤดูกาลให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็ว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 นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดํารงสติไวเฉพาะหน้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าอาณาปานสติส6ขั้นวงเล็บหนึ่งเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาววงเล็บสองเมื่อหายใจออกสั้นก็ร <Gust> ู้ชัดว่าหายใจออกสั้น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 สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าวงเล็บหกสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าวงเล็บ7จ็ดสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าวงเล็บ8ด สัมเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกสัมเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าวงเล็บเก้าสัมเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกสัมเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าวงเล็บสิบสัมเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสัมเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า วงเล็บสิอ็ดสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าวงเล็บสิสองสำเนียกว่าจะเปลื่องจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะเปลื่องจิตหายใจเข้าวงเล็บ13บสาำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าวงเล็บสิ สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าวงเล็บสิบหาสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าวงเล็บ16บหกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจออกสำเนียกว่า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 พระผู้มีพระภาคทรงมัญญัดไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องหมู่ภิกษุผู้เจริญอสุภกรรมฐานกับตาเทนมิคะลันทิกะ